ล, ลูกหลานยทุกคนวันนี้เป็นเรีกว่าวันประเพณีทํา ม, มุดอุทิศให้ญาติพี่น้องทั้งหลายเราทุกคนเจตนาในใจของตนทุกคนแล้ว ให้พ่พากันตั้งใจหนึ่งให้ทานมาแล้วสองอรับศีลมาแล้วสามไหวพระมาแล้วชี่บัดนี้ฟังเทศ ให้เราทุกคนตั้งใจอุทิศหายาพี่น้องทหลายภูที่ตกทุกข์ได้ยากยังไม่ทันพ้นวีบากต่ำต้องสวยกรรมของตนต่อไปอันนี้เป็นแรีกว่าพิธีของคนเท้าเก่ ในทางศาสนาว่าในตังใจอุทิศให้เมื่อเป็นมนุษย์ความพิพลาดเมาในการหาอยู่กินไม่ได้ถือว่าบุญบาปประการใดจๆใจขอให้มีลายใด ในครอบครัวของตนเท่านั้นเองอันนี้ละจึงสิงที่เป็นบาปติดตามนำหรักษาคอบคุมช่วยความทุกข์ของตนเมื่อช่วยความทุกข์แล้วรู้จักกวะว่าตัวเจ้าของพิดพลาด ไม่ตั้งใจละเว้นทิงความโชดใจๆให้ตั้งใจของตนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พักวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตระพระกัววตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะกรรมสังกหมิกรรมทายาโทกรรมโยนิ กรรมพันธุกรรมวิตาาิจารังยังกรรมมังกริษามิกัรลายาาียนังวาปาปักรรมวาติติตนะบัด น, นี้ยะได้จะได้เตือนญาติน้องทุกทุกคนเลื่อม ก, กำความดี กรรมความชั่วที่เราเป็นมนุษย์ถืออยู่สองอย่างในเวลามีชีวิตปัจจุบันนี้สัตว์ในรินแดนมีแต่กรรมความโชงปกปิดไม่ได้คิดได้อ่านรู้จักภาวะว่าดีชั่วประการใ ด, ใด ไม่จะเรื่องหากินกับกลัวความตายเท่า น, นั้นเองเปรตผีทั้งหลายสวยผลความทุกข์บนเพออยู่ตลอดเป็นนิดดิ้นลนไม่รู้จักหนทางที่จะรุดพ้นไปได้ประการใดอันนี้พวกเปรตผีเปรตน่ารก ไม่ได้ลองให้ความทุกข์ตลอดเป็นนิไม่รู้จักว่าหนทางที่ตนของตนจะพ้นภัยประการใดสวยยือย่างนั้นตลอดไปจนกว่าบุพคกรรมของตนที่ได้ทำไปแล้วลุดพ้นขึ้นมาได้โชคเสแสงหาเกิดในโลก การเกิดของตนชุดเตลิะเศษของกรรมที่ยังมีอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นผีหรือเป็นเปรตเล่ห์หลอนตลอดไปหรือเป็นมนุษย์คนทุกเป็นมนุษย์วิการเป็นมนุษย์ขาดตกบกพร่อง ในชีวิตสำคัญร่างกายประการใดไม่สมประกอบไม่เป็นที่รักใครไม่เป็นที่ยินดีของบุคคลอันนี้เป็นเรียกว่าเศษของก ร, รมที่ความชั่วจะของได้ทำไปแล้วสัตว์ทั้งหลายบุญไม่เกิดบาปไม่เกิด เครดทั้งหลายบุญไม่เกิดบาปไม่เกิดเทวดาทั้งหลายบุญไม่เกิดบาปไม่เกิดช่วยผลของตนได้สะสมไว้แล้วในเมื่อเป็นมนุษย์บัดเนีนี้ตัวของพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ เคลื่อนไหวในร่างกายของตนบางครั้งก็เพิ่มความชั่วให้กิจจิตของตนตลอดไปบางคราวก็เพิ่มความดีให้กิจจิตของตนตลอดไปผู้ที่หนามืดเข้าไปก็นั่นแล้ว เพ่นไว้ในหลางกายมิจะเพิ่มแต่ความชั่วตลอดไปเป็นนิสมันมีความดีอะไรที่จะเกิดขึ้นให้แก่จิตของตนประกาศใดจิตนั้นถือบุญกับบาปกุศลาธรรมะอภุษลาธรร ม, มอัพยาคตาธรร ม, มานอนหลั บุญไม่เกิดบาปไม่เกิดตื่นนอนขึ้นมาแล้วต้องเกิดบุญเกิดบาปอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนะว่าชีวิตวัดเดียวนี้เราเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดมันเพิ่มอะไรมากก่อกันให้คิดอ่านให้ดี นรกไม่เต็มนะสวรค์ไม่เต็มไปเถอะไปเถอไรกบไปอยู่ได้ตามสบายใจไม่อัดแอนี่ให้เราทุกคนจุมคิดหนึ่งตัวของเราเวลาบัดเดียวนี้หน้าที่เราเป็นมนุษย์เก้าความดีจะเกิดขึ้นได้ หาเราตั้งใจฝึกฝนเพิ่มความดีของตนตลอดไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยหมุนเกิดหมุนตายอยู่ในโลกอันนี้นานเข้าแล้วจะได้พบพระพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ทั้งหลายพบพระพระเจกพุททะพบพระพรุษีอยคี ภควาพยาทัพปตาิลาท่านเหล่านี้ไม่ตือเรื่องชักจูงให้มนุษย์ทั้งหลายทำความดีตลอดไปอันนี้และบุคคลที่ฝึกฝนความดีเป็นนิจัยเป็นปัจจัยในชีวิตของตนที่เป็นมนุษย์แล้ว ความดีเหล่านี้เองเป็นหนทางของตนจะได้พบปัณฑิตจะได้เพิ่มความดีให้กิจิของตนต่อไปร้ายคบชตากว่าตัวของเราทุกคนจะไปสู่มรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องการมรรคผลนิพพาน มีแต่เรื่องว่าต้องการขอให้ได้สตางค์หนึ่งสองให้ได้กินอิม่มสามให้ร่างกายอยู่สบายเินสุขสหาเครื่องเพิดเทิ น, เ, นเล่นสนุกสนานไปตามกาศคามีสตางค์นิดหน่อยก็ลงเล่นลงไป ล, ล, ลงไฮโลลงมวย เลียสองตัวเลียสามตัวเลียกหกตัวอันนี้แปลว่าชีวิตที่อยู่บันเดี๋ยวนี้จิตมันคิดอ่านดูแต่อย่างนี้ตลอดไปอันนี้เป็นแหล่ว่าบุคคลเมื่อเกิดได้พบกพุทธเจ้าแล้วความดีของตนมันน้อย เลยไม่รู้จักว่าพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอย่างใดเป็นผลอย่างใดเป็นลักนะอย่างใดอันนี้บุคคลผู้ที่ฝึกผลนิสัยปัจจัยของตนอยู่เสมอแล้วรู้จักว่าอันนี้เนื้อนาบุญอันนี้ธรรมะ อันนี้บอกหนทางทางดีและทางชั่วบุคคลตั้งใจอย่างนี้ได้รับผลความสุขตลอดไปเมื่อน้าจนตัวตนของตนนั่นเองจะสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดความชั่วและใจม่มีการแทรกแซงเข้ามาในใจประการใด มีแตจความดีคือบุญกุศลและธรรมะหุ้มหอ่อปัญญาและองค์ญาณรู้จักภาวะอะไรที่พาเราเกิดในโลกพาเราตายในโลกพาเราทำความดีและทำความชั่ว <c oughs> รู้จักได้ทันทีในองค์ญาณเพราะจิตมันสว่างจิตมันใสสะอาด มนทินมันยังน้อยที่สุดบุคคลเช่นนี้แปลว่ารู้จักของตนจะแก้ไขจะรู้จักความสุขยิ่งที่สุดต่อไปมัหน้าอันนี้แปลวบุคคลผู้กุดผลตนของตอนที่ได้พบควาบัณฑิตชีวิตของพวกเราวันเดียวนี้ได้พบว่าบัณฑิตเจ้วนะ หนึ่งศิลห 2. สองศิลแปดสามวายพระสี่เลี้ยงวิดามมรดาห้าตนของตนได้สดับประความบาปภาถ า, าใตๆ่ขี่บอกหนทางไปทางดีและทางชัว่วอันนี้ เ, เรียงว่าชีวิตได้พบว่าบัณฑิต ธรรมะของพุทธะที่บอกค้นทางความดีและความชั่วให้ตัวเราทุกคนจงคิดนึกหน้าที่ของเรายังจะเกิดอีกต่อไปในโลกหลายพบชาติเปรตทั้งหลายที่รู้จักะเพนีเขาจะทำบุญเป็นอุทิศหาญาติ หาผู้ที่เล่นเละลอนสวยทุกตลอดไปมันก็วิ่งเต้นกันหาตลอดเมื่อมาถึงแล้วอุทิศให้ตนของตนก็ไม่ได้รับเป็นโดยเหตุใดก็เพราะกรรมความชั่วของตนนึ่งตกเข้าหาตัวเจ้าของเป็นสัตราอาวุธ เป็นไฟไหม้เป็นอาจมเป็นความร้อนเป็นความสวยทุกไม่ได้รับอะไรตลอดไปไม่ได้ผลอะไรชับอย่างสองตัวที่จะใกล้คนภัยอันตรายแล้วสวยบากกรรมมานานแล้วอันนั้นแปลว่าได้รับผล ได้ความสุขแด้ความเย็นใจของตน อ, อันนี้ละเรื่องว่าอุทิศหาเปรตทั้งหลายเปรตพยาคินดิสารต่างแต่พระเจ้าพุทธะมาถึงพระเจ้าวิพิชีสีหมื่นกับ วิวัฒนกัรสองหมืนกับสังวัฒนการสองหมืนกับมาถึงพระเจ้าวิคุชิเข้าประกาศทูมิพระพุทธเจ้าบอกว่าเออตอไปเมื่อหน้าทุนเน อ, อแต่นี่ต่อไปนานที่สุดพวกเธอจึงจะรู้เรื่องเหตุผลต่อไปตลอดพาถึงพระเจ้าซิขี กราบทูลพระเจ้าก ว, ว่าหน้าหุ่นเธอนานที่สุดมาถึงพระเจ้าวิชภูเข้ากราบทูลพระเจ้าวิชภูก ว, ว่านานที่สุดหน้านที่ของพวกเธอจังจะรู้เรื่องเหตุผลดีไล่ประการใดมาถึงพระเจ้าคุกุสันโธนานที่สุด ต่างแต่พระเจ้าคุกขุนโธกับพระเจ้าเวสสุขสามสิบเอ็ดกับวิวัตกับขาขึ้นสังวัตกับขาลงมาถึงโกนะคมโนก็าานยังบอกโมานาอีกตลอดต่อไปมาถึงพระเจ้ากัสสปเออ พระเจ้าโคตโมจหมตัดไปทางหน้างญาติของพวกเธอจะลงมาสร้างบัณฑินกับพุทธเจ้าโคตมะจะรู้จักภาวะพวกเธอทั้งหลายจะรับเทพุผลดีชั่วประการใดต้องพากันยินดีเพื่อจะโคกพอใจตนกลงตนว่าจะพ้นภัยอันตราย มาถึงพระโพธิมาแล้วพญาพิมพิชานทำบุญอุทิเออทำบุญให้ทานถวายสวนไม่ไผ่เป็นวัดโพงนั้นลงให้ไม่ได้รับส่วนกุญกุสุน์กการใด ยังได้ถามพุทธเจ้าพุทเจ้าบอกว่าเปรตทั้งหลายต้องการอยากรับชวนบุญกุศลจึงได้ทำบุญอีกรอที่สองให้เกพวกเวทผีเหล่านั้นเขาจะได้รับแปด0มืนี่พันคนเปรตเหล่านั้นเป็นชาวกของฝั่สีอริยจะมาตัดผ่านทางหน้านี้ รับแล้วขอเนี่ได้พ้นภัยได้ตั้งใจพักพอ่อนอันนี้พันธวาเรื่องการทําบุญอุทิศหาเปรตทางหลายเป็นเบื้องต้นของศ า, าสนาในปัโภตมะนี่เราทุกคนอยากให้น้องต่างคนต่างค้อผพานคิดอ่านว่าอุทิศ ให้เก็บสัตว์ทั้งหลายในโลกเดี๋ยวนี้ตาของเราไม่เห็นหูของเราไม่ได้หงินมันร้องให้ก็ไม่ได้หงินมันหมากรอคอยท่าก็ไม่เห็นเพราะด้วยเหตุประการใดความมืดของพวกเราความมืดตัวนี้มาจากอะไรมาจากบาป ก, กรรมความชั่ว ยังปิดใจของพวกเราอยู่ตลอดเหมือนกับแก้วทั้งหลายหรือเพชรพอยทั้งหลายเขายัางพระทัานจีรในคัดเก่าให้หมดกลากของมันจึงจะมีลักษมีสว่งสวยเป็นแสงออกได้ไล่ความมืดหีไปได้ นี่ันใดคือใจของพวกเรามันกลาความชั่วใดๆมันยังติด บ, บังอยู่ในใจของพวกเราจึงไม่รู้ลึกลับของอีกที่พวกจำพวกนี้ออกยังเทวดายัางไม่เป็นต้นสองเปรตผีทั้งหลายสามสัตว์สิ่งดีรสนทั้งหลาย สีมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากมนุษย์ที่มีการใดใดทุกข์ยางอะไรมันพาให้บันดาลให้ช่วยไม่พอใจตลอดไปอันนี้พันเรียกว่าคือกรรมความชั่วติดตามนำมาจะไม่คือเรื่อากรรมสะโกมิกรรมทายาทท กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิกรณาอย่างกรรมังกิตามิตันญาณว่าป่าปะกังวา่าบุญบาปทางสองติดตามนำรักษาเทวดาบุญกุศลแรงสวยความสุขรูปเกิดขึ้นโดยบุญกุศลบรันรดาลเปรตผีทั้งหลาย บาปกรรมบันดาลสวยผลความทุกข์ตลอดไปสัตยศาสตรทั้งหลายสวยผลความทุกข์ไม่รู้จักภาะวะดีชั่วโลกนี่แหละโลกหน้าประการใดๆอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราในเวลาปัเจีบยวนี้ ชีวิตได้พบวะแล้วศาสนาของพุทธอันนี้เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตตานั่นจะเสวนาผูชาจะผูชาญญาเอิตมังกะละมุตตมังพกฝะาบัณฑิตเป็นมงคลพกวะาบัณฑิตเป็นผลความสุขพกฝะาบัณฑิตแล้วมีปัญญาความฉลาด พบวาบัณฑีแล้วสมบูรณ์ในการเกิดในโลกเป็นมนุษย์เป็นเทวดากรรมความชัว่วใดๆเกิดมาในโลกสัตว์ดิรสารทั้งหลายบุญของมันก็มีแต่กำลังบกพอไม่เท่าบาปบาปมันแรงกว่าเปรดผีทั้งหลายบุญมันก็มีแต่บาปมันแรงกว่า เทวดาบาปมันก็มีแต่บุญมันแรงกว่าบุญกุศลแรงกว่าบาปทางหลายมนุษย์ในโลกที่เกิดประเดี๋ยวนี้คนที่รูปร่างผิวพรรณวันนะ่ะร่างกายสองตนสมส่วนเป็นความสุขสำราญบางใจสับชิ้นเข้าของการกินอยู่ได้ตามความพอใจไม่ได้ขัดข้องประการใดดั อันนี้ดูเหตุใดคือบุญมันมีกำลังกว่าบาปบุคคลที่เกิดมาตกทุกข์้นอย่างที่กะที่เกลื่อนที่ถูกกุญางหูหนวกตาบอดบ้าไหวเจติบเสียองค์ะขะลัคณะประการใดๆทุกอยาก่างทรัพย์สินกินอยู่ประการใดแปลว่ามีความทุกข์ตลอดไปอันนี้ดูเหตุประการใด คือบาปกรรมมันแรงกว่าบุญกุศลจึงได้ช่วยผลอยู่ตลอดกาลไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตอนในชีวิตบันเดียวนี้จะเพิ่มบุญกุศลหรือจะเพิ่มบาปอกุศลจะเพิ่มอะไรหน้าที่ของเรายังจะเกิดอกีกต่อไปในโลก หลายภพชากว่าที่สำเร็จมาผลพ้นจากการเกิดแก่ดเจ็บตายในโลกไปชูมาผลนิพพานรูปร่างเป็นธรรมรูปเป็นธรรมนามเป็นธรรมอยู่เป็นธรรมสวยความสุขตลอดไปไม่มีการเปลีป่ยนแปลงรูปประการใดๆยั่งยืนตลอดไปเป็นนิจ อันนั้นเผอนิจจังเปลวของเท่งแท้ประชูมขในิพานผมโลคีมดอายุองฌานก็ลง่าเกิดในโลกต่อไปเทวดายุบนสาวรรค์มดอายุบุญกุศลก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเปรตผีทั้งหลายมดบาปกรรมความชั่ว ก็ได้มาเกิดในโลกต่อไปสัตว์ในสสารทั้งหลายบนบกและในน้ําเมื่อบาปกรรมของตนก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเมื่อเป็นมนุษย์แล้วจะเพิ่มอะไรกันเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชัว่วเมื่อเพิ่มความชั่วก็ไปล็อกเก่าเมื่อเพิ่มความดีก็ไปล็อกเก่าไปชูสวัสด อันนี้ l เรื่องการเกิดในของสัตว์ท่างหากในโลกจ้งน้กคืนชื่อว่ากรรมสักกุมหิกรรมทาญาโทรกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นที่ติดตามกรรมเป็นที่รักษากรรมเป็นที่อำนวยความช่วยและความดีให้เกิดสัตว์ทัางหายในโลกวันเดียวนี้ตัวของเราทุกๆคนมีชีวิตอยู่แล้วให้คิดอ่านแก้ไข จะได้พบควาพระพุทธเจ้าต่อมาภายข้างหน้าจะได้เพิ่มความดียิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกกว่านี้เพราะเราได้พบความพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในคิดอ่านตนของตนจะรักตนของตัวนี้ไหมละ่ะตัวของเราคืออะไรคือใจนั่นเองอย่าเข้าใจว่าร่างกายอันนี้ร่างกายนี้มันเกิดขึ้นชัว่วคราว ใจเป็นที่พึ่งพาใช้เพื่อต้องการทำความดีความชั่วคันถ้ามามีร่างกายความดีก็ไม่เกิดความชั่วก็ไม่เกิดต้องเสวยบาปกรรมอันนั้นอีกตลอดไปเปเลว่าฉันยีวามีฉันยาเกิดขึ้นคิดอ่านมีอยู่ในใจแต่ว่ามนมีรูปต้องเสวยความทุกตลอดไปมรเวนี้ตัวของเราทุกๆคนเป็นมนุษย์แล้วให้คิดอ่านให้ดี เรากินแล้วคุ้ประโยชน์อะไรแก้วิทนาแล้วนอนคุ้ประโยชน์อะไรแก้วินาแล้วยืนคุประโยชน์อะไรแก้วินาเราทายคุ้ประโยชน์ไหนแก้วินาแก่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้เอาอยู่ตลอดอยู่อย่างนี้ร่างกายอันนี้ต้องทำอย่างนี้ตลอดไป อันนี้เราไมีประโยชน์เรเช็ดอย่างเามีความนี่ควบชั่วให้กิจประการใดแปลว่ารักษาร่างกายเท่านั้นเองอันนี้ตัวของเราทุกคนตวนันมาแล้วธรรมะไม่มีตัวขึ้นในใจแล้วมันรักษาแต่ของปลอมร่างกายมันเป็นของปลอมมันเกิดมันตายของเก๊ของไม่เน่ ใจนั่นเป็นของอยั่งยืนเป็นของถาวรมีอยู่อย่างนั้นเมื่อความชั่วปิดเข้าไปก็สวยขอบทุกนักเข้าไปเมื่อความดีเข้าไปรักษาแล้วความสว่างเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นในี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าใจของเราคือความรู้สึกภาวะอันนี้แหละเป็นตัวของพวกเราแท้แท้อันที่ผักเกิดผักตายในโลก อยู่ตลอดกันไปเป็นนิดให้เราทุกคนจุงคิดนึกพิดเจรณาในตัวเจ้าของเรื่องกินเรื่องไปเรื่องอยู่เรื่องรับเรื่องนอนเรื่องยืนเรื่องเดินเรื่องคิดการงานใดๆสัมภาระใดบริหารร่างกายอันนี้แปลว่าเรื่องของร่างกายครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของใจคนไหวพระเป็นสมบัติของใจ คนมีศีลห้าเป็นสมบัติของใจคนเมตตาเป็นสมบัติของใจคนเลี้ยงบิดามารดาเป็นสมบัติของใจคนละลึกเถึงความเกิดแก่เจ็บตายของในโลกเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นสมบัติของใจสมบัติของใจคือคืออะไรคือบุญกุศลจะช่วยรักษาให้ความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเพราะฉะนั้น ที่อาตมาได้อธิบายตอนลูกหลานญาติน้องกมสักภูมิกรรมฐายาโูจงพ้ข่ากันทิดอ่านจนของตนทุกคนณบัดนี้จะได้ปลามคอดาสิเมอากาซสิเมยาติมิตาจะข่าเจ้าเมเวตานางทักขิณงัชตาพุกธีกตามนุษย์สลัง นักิลุนนางวโสุกวาชาวันญาปริเหวนานัตั้งเปตตานามัตไหยะอีวังติทันติยาเตโยอาเยนเจโคทักกินาทินนาสังกมิสุปิทิตาสิขาดตังหิตายสทานาโซุปปะปะปีโชยติธรมโมจะอญานิคาคิโตเปตานาปุจัก ชะกตะอุนลาลาพลังจะปิกุณปนินำตุมเมหิญญปังประชุตังอนปาปการสี่ตวตุัพมังคลังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธาสัพพธรมมาสัพพสังฆานุภาวีนสะสัทธาโสทีภวตุเต